أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب <تصفيق> الله مسلا. รัจูลันฟัว่ารัจูลันซาล y s ت َ و ي َ ن ِ م ا س َ ل َ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ อินนักมาอิตุวะอินนหุมมาอิตุนสุหมาอินนคุมยาุมัลติยามะ ع ي ن ر ب ّ ك م تحت سيمون؟ فمن أعلم م م ن كذب على الله؟ وَكَذَابَ ب ِ ا ل ْ س ّ د ْ ق ِ إِذْ ج َ ا ء أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ م َ س ْ و ى ل ّ لِكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به أولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وشر ولا إ ه إلا ل ل ه وحده لا شريك له وشر وأن محمدا ع ب د و ر س و ل اللهم ب ك к أصبحنا و ب и к أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ت ا ل ت ما ت م ن ش ر ما خلاب س م الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب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 أصلح لي شأني كله ولا تكلني إ ر ا ل ل ه و ع م ل ح ا ل ل ه ن ع م ل ا ل ل ه ع م ل ا ل س ل ع ر ح م ة الله ب ر ك ا ت ه ขออัลฮัมดุลิลลา์พี่น้องที่ร่วมนมาุบที่มัสยิดอันวาิสุนที่รัทั้งหลายครับพี่น้องที่ติดตาม รายการตับสินอุปราชหรือว่าสวรรค์นในบ้านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه แตะ تعالى อัลล์ Allah, ให้เรามีชีวิตอยู่นี่นะครับก็ให้เราใช้ชีวิตแบบนบีมูฮัมมัดนี่คือเป้าหมายใหญ่ดูตัวอย่างบรรดาสหาบะของท่านนาบีเนี่ย เขาใช้ชีวิตอยู่บนบนโลกรุยญญาไปนี่เรียนแบบท่านนาบีมูฮัมมัดทุกทุกเรื่องจากนั้นคนที่เชื่ออัลลอ์และปฏิบัติตามนาบีเนี่ยแบบบรรดาสรบ า, าบานนบีเขาได้รับความสำเร็จในชีวิตแล้วบุคคลใดก็ตามที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนะี่ยไม่เชื่อนะแล้วก็ไม่ศรัทธาว่า นบีมุฮัมมัดเป็นนบีแล้วก็ไม่ศรัทธาคำสอนของนบีที่นำเอามาสอนซึ่งวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละเยอะหน่อยนะพวกนี้ขาดทุนทั้งดุญยาและอาคือร้องแต่อารอ ก, ก็ใหนะ้ไม่เอาอารคไม่เอาราสุเนี่ยอารตายเงินเดือนเปล่าไม่ตัดเม่าว่าให้มีบ้านอยู่ ให้มีที่ดินให้มีภรรยาให้มีลูกให้มีรถให้มีเงินให้มีนู่นมีอะไรหลายๆอย่างก็เลยเข้าใจว่าอิสลามไม่มีก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แต่เราก็เล่านะก็พี่คนอ่านผ่านนาบีบอกว่ า, วาอยู่ได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะชีวิตหลังตายเนี่ยเองเจอเนี่ย ด ran, Goldman, AS, então, à, ูคุณานที่เราเรียนมาเนี่ยยสุดท้ายเนี <work> ่ยของสุรที่ผ่านมาตัวอะไรนะสุรสดนะวัลลัตตะลาโมนะนบะอูบาดะฮีนินวัลลัตตะลาโมนะนบะอูบาดะฮีนินพวกเขาจะได้รู้ข่าวๆของเขาเองรอประสิทธหนึ่ง ข้าบารอเนี่ยหลังจากนี้ไปไม่กี่ไม่ไม่ไม่กี่วันน่ยมาถึงเวลาความตายมาถึงคุณนะคุณจะได้เห็นอะไรหมดเลยว่าที่คุณปฏิเสธอัลลอฮ์เสียใจยังไงปฏิเสธนบีมุ hammad เสียใจยังไงปฏิเสธอัลกุรอานเสียใจยังไงปฏิเสธรูปแบบที่ท่านนาบีมุ hammad ให้ไว้นะ่ยเสียใจยังไงแล้วก็ขอร้องนะในอายะอื่นอนธะิบายว่า คนที่ตายขอล้องเอาลราจะขอกลับมามีชีวิตบนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งมาเลกาก็ถามมาว่าอ้าวก็ออกมาจากดุนยาไม่ใช่หรอออกมาจากดุนยาเนี่ยวันนี้ขอเข้าอีกคือตอนอยู่บนดุนยาครั้งครังแรกเนี่ยไม่เข้าใจนึกว่าโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้มาเพื่อมาหาความสุขใส่ตัวเน่ไม่ใช่ เพื่อมาทำงานศาสนาของอัลลอฮอย่างเดียวไปไ ป, ไปรู้ตอนไหนตอนตายอ่ะท่านนาบี m u h a m m มาทำอะไรดูตัวอย่างนั้นเขานบีนี่มาเพื่อมาสอนอิสลามสอนสอนอาชีพทำได้ไหมได้ไม่ได้ห้ามมีธุรกิจได้ไหมได้มีครอบครัวได้ไหมได้เพราะนบีมีครอบครัวบ้า มีพญาติกนสิบสามคนมากกว่าเราอีอ่ะของเราเนี่ยเราให้เท่าไรถ้าจะมีก็สี่ความสามารถไม่ถึงก็1หนึ่งใช่ไหมถาว่านบีกังวลอะไรนบีไม่ได้กังวลทำงานขออร่อยอย่างเดียวฉะนั้นโรคโควิดมาเนี่ยเตือนเรานะโรคโควิดเนี่ยเคยเคยเห็นตัวมั้มยจะ ก, กลัวกันหมดเลยนะ่ะ พอหมอแนะนำว่าใส่แมสก์ใสกันหมดเลยอ่ะแล้อยู่ห่างก็อยู่ห่างกันหมดเลยอ่ะก็ที่เราสั่งไม่เชื่อนะก็ไมเ่เวลานี้เล่าให้ฟังเลยในน้อยเอาวันนี้มาอายาที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับขอแต่เรื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยอรเรื่องกบราณทีอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยพูดหลายเรื่องเอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนึ่งเรื่องขนลุกใช่ไหม อ่ต่ักษะอิุเวคโลยักษ์ชาวนรอบหุมกลัวผู้อาภิบาลของพวกเขาตาลีนูยูลูดุหุม่มวากูลูบุหุมเนื้อหนังของเขาเนี่ยอ่อนนุม่มหัวใจของเขาอ่อนนุ่มเพราะนึกอัลลอ์นึกถึงอัลลอฮ์คนเหล่านี้แหละเป็นคนที่อยู่บนทางนำ เรานี่ดูละครสงสามนางเอกน้ำตาไหลอ่ะกับอ่านอัลกุรอานแล้วกลัวอัลลอ์นึกถึงบาปตัวเองที่ทำมาตามกันไหมตามกันเยอะเลยอ่ะแต่อัลกุรอานนี่เล่าให้ฟังบอกว่าขนลุกเพราะกลัวอัลลอ์หัวใจนอบน้อมถ่อมตนเพราะกลัวอัลลอฮ์่นะนำมันตามกันแลอีกเรื่องหนึ่ง ว่าต้องรบอะไรนะ อ, นรลลร อ, ดดอัลลอฮฺมิใช่หรือไมผู้ใดที่ Allah เปิดใจของเขาให้เข้าใจอิสลามเรื่องใหญ่มากนะของชาวมุสลิมลเราอย่างเราเนี่ยเราต้องขอบคุณ Allah ลลที่เราเนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็ประคองตัวเรามาถึงวันนี้ไม่ให้หลุดอิสลามนะแล้วก็มาศึกษาอุปอาสัยเพิ่มทาให้อิมานมันเพิ่มขึ้นนี่ Allah ลลเปิดใจเราแล้ว ตอนนี้เวลาเราเปิดใจ อ, อย่าเอาอิสลามมาใช้คนเดียวให้นึกถึงคนอื่นด้วยเอาไปคุยกับเขาไปบอกกับเขาอย่างนี้เป็นต้นอ่านมาเรอายาที่ยี่สิบหกนะครับที่สิบเก้าลอร์ดัลลอฮฺมัสลาลรจุลัฟีิชูรเกะมุตัชติซุน ว่ารด ل ลน์ซาลามลีรดุลฮัลย์อัตวิยานิมาซาล่าอัลฮัมดุลิลลาห์บัลัคซัลฮุมลาย์อัลลัมบารับ الله มะซาลัรดุลน์ฟิห์ชุรักะ ل ل ل م ุตาชาคิสูนวรจุลันซาลามัลลิรจุลฮัลย์อัตตเวียนิมาซาล alhamdulillah บัลอักษารุหมายาน alhamdulillah ร้นนกินอ ดิบรีเนี่ยนำกราณมาให้ท่านนาบีเล่าให้นบีฟังให้นบีมาเผยแพร่วันนี้อายานี้ตรงการจะเตือนว่าคนที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับนับถือพระเจ้าหลายองค์เนี่ยโดยยกตัวอย่างเหมือนกับอะไรทำไมต้องอธิบายต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ให้นบีเข้าใจและพวกเราเข้าใจ เพื่อจะได้รู้ว่าคนที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวยอมรับในอัลลอฮ์ อ, องค์เดียวเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มีเจ้านายคนเดียวกับคนคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคนแล้วเจ้านายหลายคนนี่โหดโหดจังนั้นอ่ะคนไหนจะปลอดภัยกว่า ทำไมนําเรื่องเหล่านี้มาอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปถูกลงโทษหลังตายนี่เป็นห่วงด้วยขนาดนี้แต่นี้อิสลามไม่ได้บังคับใ ค, ใครนับถืออิสลามนะไม่ได้บังคับเลยนะแต่ล้องให้สมองมาให้ปัญญามาสามารถคิดได้ไั้ยถ้าคิดนะคิดได้เลยถ้าไม่คิดก็ไม่คิดเลยนี่เล่าให้ฟังอ่ดูสั์ ดารบัลลอฮุมะซาลาดารับกาว่าอัลลาด้ยกอุทาหอนนะได้ยกอุทาหอนอหรือได้เปรียบอุปมาได้เปรียบอุปมาหรือได้ยกอุทาหอนรออยูลันชายคนหนึ่งฟีฮิซูรกา มีหุ้นส่วนหลายคนอธิบายยังไงมีหุ้นส่วนหลายคนนะครับว่ามีเจ้านายหลายคนผู้ชายคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคนเข้าใจยังยากหรือไม่ยากไม่ยากอธิบายอย่างนี้เลยนะให้กับนบีมาผ่านท่นานนบี ม, มาสอนมาอธิบายคนคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคน เรื่พูด ง, ง่ายมีผู้หญิงคนมีผัวหลายคนเป็นไงอันนี้ก็แรงกว่าจะว่าอ่นนะอัลลอฮฺไม่ไม่ไม่ไมไมพูดถึงภรรยาพูดอ่องเนี้คนคนเด็กมีเจ้านายหลายคนแล้วเจ้านายเป็นไงครับมูตาสากีซูนพวกเขาเนี่ยขัดแย้งกันเจ้านายเนี่ยขัดแย้งกันเจ้านายคนนี้สั่งให้ทําอย่างงี้ เจ้นานายอีกคนนึ ง, ส, งนนนนนสั่งให้ทําอย่างนูน้นเจ้นานายคนนู้นสั่งให้ทําอย่างนู้นมีเจ้านายหลายหลายคนแล้วสั่งห้าเรื่องหรือห้าคนห้าเรื่องสี่คนก็สี่เรื่องเนี่ยถามว่าลุงน้องเนี่ยมึงไหม <c oughs> นี่อธิบายให้จีบรีนนำวะให้มาจากอัลลอฮ์มาหานาบีมาอ่านให้นาบีฟังแล้วมาให้นาบีเนี่ยมาสอนต่อให้คิดเรื่องนะ อ, งอติดนะ อสอนแล้วสอนอีกพูดแล้วพูดอีกพูดหนึ่งโอ้โหบางทีอะสุราอเดียนะพูดไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งใช่ไหมเพื่อท่า ก, ก็เพื่อให้หัวใจเราเนี่ยมั่นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานาะละอง์เดียวเท่านั้นเถิแล้วต่อมาครับวารอดยูลันและชายอีกคนหนึ่งซาลามันตะว่าโดยเฉพาะอ่าโดยเฉพาะ ลีรอดยูลินให้กับชายอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งนะครับเป็นของผู้ชายอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะามีเจ้านายคนเดียวนะเข้าขใจนะชายคนหนึ่งมีเจ้านายคนเดียวโดยเฉพาะกับการจะอธิบายว่างั้นคืออัลลอฮฺตาอัลามีองค์เดียว e ยอมรับในอัลลอฮ์องค์เดียว e กับผู้ชายคนหนึ่งมีพระเจ้าหลายองค์ ต่างกันไหม Allah ถามนะครับในกุรอานฮัลยัสตาวิยนิมาซาดาทั้งสองคนเนี่เท่ากันไหมเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนคนมีปัญญาทุกคนต้องนึกว่าไม่ใช่ไม่เหมือนกันเห็นไหม นี่นี่ท่น บ, บี ม, มุม a ม m a d เนี่ยมาสอนก็สอ น, สอนเรื่องนเรเรื่อ ง, อ, ง, อ, งอีคดานนะ่ะสอนที่มักกะจีปีสิบสามปีแล้วอยู่ในนครมักกะไม่ได้ใช่ไหมเพราะน บ, บีไปสอนว่าพระเจ้ามีกี่องค์องค์เดียวแล้วก็ในกาบ้านนะ่ะมีรูปเวิเท่าไหร่สามรอยหกสิบห้าเวิตแล้วนบีบอกว่าเลิกให้หมด อันมานับถืออลัลลอฮ์องเดียวคนที่ต่อต้านนญาตินบีหมดเลยและคนอื่นด้วยดูมูฮัมหมัดสิเอาอะไรมาสอนพระเจ้าหลายองค์มันช่วยกันนะพระเจ้าให้ฝนตกพระเจ้าให้แดดออกพ ร, พระเจ้าให้นู้นพระเจ้าให้นี่แล้วก็มาเหลือองค์เดียวจะทําไหวหรืออย่างงี้เป็นต้น เรีอยู่ได้ไหมรพมักะไม่ได้ต้องอบพยพเห็นไหมพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่าง ก, การสอนเรื่องอกักลีได้เนี่ยเป็นสาการสอนที่ยากหน่อยแต่อธิบายไม่เป็นกมฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่อธิบายเข้าใจง่ายๆแค่ลูกถามเนี่ยออลออลลอยอยู่ไหนเนี่ยพ่อบางคนตอบไม่ได้น่ะเฮ้ผมถามอะไรวะออลลอยอยู่ไหนเยืมฟังอธิบายให้ลูกฟังหน่อยเนี่ยบางคนอธิบายไม่ได้ อันนี้เล่าในฟังนะนะบางคนก็ทำในเรียนต่ฟรีเนี่ยก็เล่าได้อืออัลลอฮ์นะครับดอรบัลลอฮุมะซาลอ ร, ร์จุลฟิชูรักะ Allah ได้ทรงเปรียบอุปมาดอรบ้านะชายคนหนึ่งนะครับที่มีเจ้านายหลายคนและเจ้านายเนี่ยเป็นไงครับมูตาชากิซูนพวกเขาเนี่ย ต่างขัดแย้งกันไม่อยาขันแย้ะโหดร้ายด้วยในะตอซิดอธิบายว่าโหดร้ายด้วยไม่ทันถูกแน่นลยใช่ไหมกับวโรยุลันซาละมัลิรยุลและชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชายซึ่งเป็นเป็นของชายคนหนึ่งโดยเฉพาะชายคนหนึ่งที่มีเจ้านายคนเดียวใช่ไหม ฮัลย์สตาวิยาเนมัสาลาสองสองคนนี่เหมือนกันไหมอุปมาแบบนี้นะเหมือนกันไหมในตับซสภาษาอุ ด, ดูอธิบายบอกว่าไม่เหมือนกันครับห่างกันอย่างก็ฟ้าก็ดบบินนะภาษาอุ ด, ดูบอกว่าไงนะในตับซสพมาจีดีบาลเคโดโนเคดมามียนจัมมินว่าอัศมานก็ฟา้าแค่คนที่มีพระเจ้าองค์เดียวกับพระเจ้าหลายองค์นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับหลายองค์นั่น ห่างกันยังกับฟ้ากับดินนี่แค่โรคโควิดมาอาสังเกตง่ายง่ายโรคโควิดเนี่ยที่ท่านนาบีสอนนะอัลลอฮ์สอนให้นบีมาสอนคือมุมินมองโรคโควิดเป็นอะไรเป็นรำมะเห็นไหมแล้วก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านนี่เป็นสุนานะนบี แล้วกากตัวอยู่ที่บ้านอยู่ยังไงอดทนแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอรรถแล้วก็เวลาจะออกนอกบ้านอันนี้กระทรวงสธาธาณสุขอธิบายให้ใส่หน้ากงหน้ากากให้เรียบร้อยชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นเขว่ากันไปใช่ไหมนี่พิธีปกป้องถ้ะหากเราปกป้องแล้วเราเกิดเราตายหรือเราป่วยผ ล, ลบุญของเราเท่ากับตายชสีีวิตสบาใจไหม แล้พระเจ้าหลายองค์สอนอยังไงมารู้เราไม่รู้ว่าสอนอยังไงแต่ที่เราเห็ น, นะค่าตัวตายกันใช่ไหมยิงกันทะเลาะ ก, กันอะไรกันเต็มไปหมดเลยแต่ผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยอัลฮัมดุลิลละก็มีพระเจ้าองค์เดียวยึดตามนาบีมุฮัมมัดสอนราบรื่นโรคโควิดมานี่ก็ราบรื่นอัลฮัมดุลิลละอย่างนี้เป็นตนต่อมาครับอัลฮัมดุลิลละ บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์ต้องการจะอธิบายว่าคนที่มีพระเจ้าองค์เดียวนั้นอยู่บนทางนำที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลลา์ต้องกลาวว่างนะขอบคุณอัลลอ์สรรนาซการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์บัลอาคซาลูฮุมละยาละมูแต่ส่วนใหญ่พวกเขาไม่รู้ใจให้รู้ทำไงก็ต้องออกนะี่ไง ต้องบอกกันเตือนกันอธิบายกันคนที่อธิบายก็ต้องมีความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยนะจะสอนคนคนหนึ่งให้เข้าใจทางอิสลามเนี่ยต้องต้องมีความสามารถด้วยผูจาเป็นอะไรเป็นโออย่างนี้เป็นต้นต้องต้องศึกษาตลอดนั่งเฉยเฉยไม่ได้ต้องศึกษาหาความรู้จากคุอานนี่แหละนะและอ่านหนังสืออื่นประกอบด้วยนะเรารู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีเฆออง อายะไนครับโซร์ไนกุลูอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮมอง์เียวอัลลอฮุอัลลอฮเป็นที่พึ่งลัมยลิดวลัมยูลัดอัลลอฮไม่มีบุตรอัลลอฮไม่มีพ่อแม่ว่าลัมยาุลละหูกูฟวันอะฮัดแล้วไม่มีอะไรเสมอเหมือนอัลลอฮอัลลอฮไม่มีลูกอัลลอฮไม่มีพ่อแม่แต่มีบางศาสนาว่าอัลลอฮมีลูกใช่ไหมไม่เอ่ยวศาสนาไหนนะนบีอัลอนบีอิสามาเป็นลูกอัลลอฮ แต่มีเป็นต้นถามเราพอใจไหมไม่พอใจแต่เราให้เลสกีเอาไปเลยเป็นเจา้จาของนู่นเจ้าของนี่เจ้าขนอะไรแต่เราก็เป็นไปเลยเองเฉพาะได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวเท่านั้นนะพอความตายมาถึงเขาหอยอยายล้อนี่ตายไปแล้วไม่มีใครขึ้นมาสักคนมาเล่านะถ้าเล่าก็ไม่เชื่ออีกใช่ะหมล่ะเองในบ้าแล้วใช่ไหม แต่เชื่อกุรอานดีกว่าผ่านทากุรอานสบายใจเอาต่อมาครับอายาที่ส0สอินนากไมยิตว่าอินนหุมไมยูน <un> <c oughs> นี่เรื่องที่สองแล้วนะ <c oughs> อายาแรกสอนเรื่องอตคดีน์อายาที่สองพูดเรื่องความตาย อินนากะไมยตุวะอินนาหุมไมยตุลไมยต์แปลว่าอะไรอ่าที่เราเรียนกันมาได้ยินเข้าหูประจำมามยตหมายถึงศพอ่าแท้จริงอันอินนากะแท้จริงท่านมุฮัมมัดในยิบรีนลงมาจาอชันฟ้านะมาบอกกับท่านนี่นะมมยตวันหนึ่งจะต้องตาย เป็นยังครับกล็ลนั่งนั่งอยู่จิบรีนมาเนี่ยอลอสโสมฉันมามาบอกท่านอินนากัมไม่ท่านจะต้องตายวันหนึ่งพระวาแมา่เฮ้ยใจและทุกคนว่าอินนาหุมมมยดูแหละพวกเขาก็ต้องตายเหมือนกันคนที่รักนบีหรือแอนตี้นบีก็ต้องตายในเตซุตอธิบายบอกว่า มีอยู่สองสามประเด็นนะที่อญญายาเนี่ยทำการอธิบายในใบที่หนึ่งก็คืออันนี้เป็นคําคุยกับท่านนาบีเป็นการโต้อตอบกับท่านนาบียิบรีนมาหาท่านนาบีนะมาบอกกับท่านนาบีว่ามุฮัมมัดท่านนี่จะต้องตายวันหนึ่งแล้วคนที่แอนตี้ท่านก็ต้องตายและบรรดาสราบะที่ศรัทท่านปกป้องท่านก็ต้องตายฉะนั้นเกิดเท่าไราตายเท่านั้น วิธีการเข้ามาสู่บนโลกดุนยาใบนี้นะ่ะมีอยู่กี่ทางฐานทั้งใจเนอะคนนี่นะจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะ่ะเข้าได้กี่ทางกี่ทางครับทางเดียวนะทางไหนผ่านทางหมดลูกของกครของม้าเราใช่ได้ไม่ใช่ช่องอื่นมีไหมมีหรือไม่มไม่มีเห็นยัง อรรถไรซ้ำนะตำแหน่งของแม่ใหญ่รองลงมาจากอรห์ท่านอย่าดูถูกอย่าด่าพ่อแม่ตัวเองไม่ได้วิธีที่จะให้เราตัวเรามาอยู่บนโลกใบนี้นะมีอยู่ทางเดียวทางไหนผ่านมดลูกยาฮูดีมันพยายามคิดแล้วเกินนะมันทําอยู่ในหลอดแก้วเสร็จแล้วก็ต่อไปฉีกเข้าไปอยู่ในมดลูกเพราะอัลกุรอานพูดชัด คนที่จะเข้ามาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียวผ่านมดลูกของมะตัวเองเวลาจะออกจากโลกใบนี้มีอยู่กี่ทางอาจารย์นี่ส um> อนมีอยู่กี่ทางครับทางเดียวอะไรไม่ยึดตายเห็นอย่างครับนี่คุก ค, คามนะแล้วก็คุณจะปลอดภัยก็มีอยู่กี่ทาง ปลอดภัยจากการลงโทษในกูโบ่ด้วยตอนตายด้วยตอนฟื้นขึ้นมาที่หลุมฝังศพที่ทุ่งมาชา ด, ด้วยถ้าจะปลอดภัยไม่อยู่กี่ทางทางเดียวเหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นจะเข้ามาอยู่บนโลกดุญยาใบนี้มีอยู่ทางเดียวเวลาจะออกจากโลกใบนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเห็นยังครับทุ่คนยอมรับบมดแต่ไม่เชื่อลอไม่เชื่อมุฮัมมัดด้วย ก็ไม่มีปัญหาก็อยู่กันไปอลัลลอฮ์เลี้ยงหมดนะครับแต่เรามีหน้าที่อธิบายสอนอินนากไมยีตุลนี่เป็นการเตือนนบีบอกว่านาบีต้องเสียชีวิตนะและคนที่แอนตี้นบีก็เสียชีวิตว่าอินนาหุมไมยตูและแทนยิยงพวกเขาก็ต้องตายแล้วก็ประการที่สองต้องการจะเตือนให้นึกถึงอาขิร ไม่ใช่ตายแล้วตายเลยไม่ใช่ทุกคนต้องตายหมดและนบีก็สอนตายแบบไหนที่เป็นความตายที่อลัลลอ์พอใจใครที่กล่าวกาลิมะ ล, ออละอิละลัฮิลลอฮได้ก่อนตายดะคารยลยานนะได้ไปไหนะได้ไปสวรรค์ครับพระนคนที่เฝ้าไข่ต้องเข้าใจอิสลามด้วย ท่านบรรดาอาเ ล, ลมอเลม่าเนี่ยเขาจึงไม่ไปโรงพยาบาลไม่ให้หมอโรงพยาบาลไม่ให้นางพยาบาลที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวเขาเขาต้องการจะให้ญาติพี่น้องเขาลูกสาวเขาลูกชายเขาภรรยารุษสามีนั่งอยู่ใกล้ตัวเขาจะได้สอนการิมาัเตาฮีตก่อนตายเรามีกฎกติกาของอิสลามเนี่ยเอาไว้ชัดเจนแล้ว ข้อที่สามจุรักกีรุเป็นการเตือนให้ทำเตรียมอามันที่สอนแลกก่อนตายต้องเตรียมตัวนะอย่างนมาศเนี่ยไม่ได้เลยขาดไม่ได้อ่านกุรานหาความรู้ก็ขาดไม่ได้บริจาคสม่ำเสมอก็ขาดไม่ได้เิครุลล้อนึกถึงอลัลลอฮ์ช่วงโควิดนี่นมาศดูฮาด้วย เก็บตามาสนสูนัดให้หมดพี่น้องยุวอาทิตย์วันนี้ใช่ไหมเก็บให้หมดเลยอ่านกรุราานนามาบริจาคซิกรุลลอขอดุอาต่ออัลลอ์ติดต่อกับครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องให้อาภัยกับความผิดต่างๆที่อยู่กันอยู่ในสังคมก็มีตำหนิบ้างอะไรบ้างให้อาภัยไปเถอะเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดสลุลตัมไปที่เมืองนะักตอ ถูกกี่เรื่องสามเรื่องนบีให้อภัยแล้วว่าแกแค้นให้อภัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนบีรมรมมัสลลัมอัสลัมมีไว้มีนบีเพื่อเจริญรอยตามสุนนะแบบฉบับของท่นานอ่ะทีนี้ <c oughs> ข้อที่นี่มันสามข้อเลยมัหนึ่งเตือนนบีให้รู้ว่านาบีต้องตายรู้เปล่า วันที่นบีเสียชีวิตนะนบีอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใครท่านนาบีนี่มีพรรยาวันที่ท่านเสียชีวิตนะมีพรรยาเหลืออยู่เก้าคนแล้ววันตาจริงจริงมาอยู่บ้านใครรู้เปล่าคือบันทึกอายแชกเราดี๋ยวรอวานานะแล้วก็นางเล่าเองนะ นบีเน่เสียชีวิตบนบนตักขางสันก่อนนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนบีพูดสองเรื่องใหญ่ๆนะอัสฟาลาอัสฟาลาวามามาลกัสไอมาหนุกุมนบีสั่งสองเรื่องนะเน่งเรื่องดูแลเรื่องการนะมาดอย่าให้ขาด นบีกําวลวอรี่เรื่องนมาเรื่องใหญ่มากชีวิตของผู้ศรัทธาตอลอดถ้านมาอย่างเดียวไม่มีนะชีวิตจบเลยบรากาศไม่มีเลยครับแต่ดุญญาอยู่ได้ไหมได้ครับแล้วก็เรื่องที่สองคนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาเรามีบริษัทเรามีโรงงานลูกน้องเราทั้งหมดเนี่ยหนึ่งด่าเขาไม่ได้ตบตีเขาไม่ได้อะ ต้องให้อาหารเขาได้ทานแล้วถามเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็จ้าพ่อทำงานหนักต้องช่วยเขานี่นบีมันมาสอนเรื่องเรื่องมารยาทแบบนี้นะก่อตาลีสามว่านามานะรักษานมาให้ดีรักษานามาให้ ด, าาา ด, หดีอย่าให้ขาดแล้วอีกเรื่องหนึ่งดูแลคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นภรรยาก็ได้ลูกได้ ถ้าต้องเข้าใจอิสลามอย่าดูถูกอย่าโกธีอย่าตบอย่าตี่สอนทำไงเรื่องอย่างนี้เรื่องอัคนาบหมดเลยแล้วก็วักสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิตหรือไม่อัลลอฮุมมัลรอฟิกุลอาลาอัลลอฮุมมัลรอฟิกุลอาลาอัลลอฮ์ฉันเลือกที่จะไปอยู่กับอัลลอฮ์รอฟิกเราถึงเพื่อนอัลอาลาที่สูงส่งมาคืออัลลอฮ์เห็นไหม ทนนี้รูปแบบเหล่านี้เป็น้องครับเราต้องนึกอยู่ในใจว่าเราต้องต้องมีกิริมาต่อให้ก่อนตายแล้วก็บ้านเราต้องมีระมีการนมาศอย่างให้ขาดนะครับทั้งภรรยาทั้งลูกๆทุกคนจะต้องนมาดหมดห้ามทะเลาะ ก, กันในบ้าน อ, อย่างนี้เป็นตัวนึกเป็นสุนะรคของท่านนบีทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ ีตอนเข้ามาอยู่บนดุญยาเนี่ยเข้ามายังไงนะผ่านอะไรนะผ่านทองมะทองแม่เมื่ออายุได้ทลายหนะร้อยรอยยี่สิบวันอลัลลอฮให้มารายการมาเป่าวิญญาณอาลัลลอฮฺกำหนดให้แต่ละคนนะสี่รายการหนึ่งริสกีอะไรมาก่อนริสกีมาก่อนข้อที่สองอาจัน วันตายข้อที่สามอาชีพข้อที่สีอันเรากำหนดนะจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วสี่ข้อครับทุกวันนี้พอมาอยู่บนดุญยานี่นะเราน่กลัวอะไรมนะั้งกลัวจนใช่หรือไม่ใช่ทั้งๆได้ริสกีเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะที่ตายกันทุกวนันนี้นี่นะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าโรคโควิด ทำให้เขาตายไม่ใช่เพราะริสกีหมดและบังเอิญบังเอิญเลยเราละกาหนดมาให้โควิดมันมาพอดีไงหลายคนคิดว่าโรคโควิดทําให้เขาตายไม่ใช่ต้องนึกหม่ตรองเนียรใหม่ออริสกีเขาหมดครับพอริสกีหมดก็มีสาบมีสาเหตุเป็นโรคโควิดด้วยก็ระเมา่าเป็นโรคโควิดอย่างนี้เป็นต้นนี่อักขีดานะ รเราไี่ยดตำนิคใครใครไม่เชื่ อ, อนวิกก็เชิญมีมาหาเชิญตามสบายเลยแต่ผมก็จะเตือนตัวผมเองว่าโรคโควิดมาเนี่ยนี่เป็นสา บ, บัเป็นสาเหตุทำให้คนป่วยทำให้คนไม่สบายแต่เวลาตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะริสกีหมดก็เข้าใจแบบนี้นะครับน้องต้นนึกถึงความตายด้วยนะ <c oughs> มีห a ดิษ อันที่น้นเป็นเองฟังที่เป็นอย่างนี้อันสายอัลกุดรีรวยัลลอฮฺ่าอันดูยักูลกล่ว رسول อัลลอฮสุลมสลัมอิาวดะอติลจนะซาตุเมื่อจนาซานี่เวลาตายนี่นะให้ทำนี้หนึ่งให้อาบน้ำสองให้กะฟันสามให้ไปขอดูอาข้อที่สี่เอาไป เอาไปฝังสี่อย่างนี่น บ, บีสั่งเลยนะให้ทำสี่ข้อนะหนึ่งอะไรนะอาบนา้ำสองหอ่อศพสามไปขอดูอาสี่ไปฝังไอ้ตอนแบกไปฝังนี่ตองการน บ, บีเล่าให้ฟังนะเมื่อศพของเขาเจนาซา น, านถูกวางบนหลังบนบนไหลของเขาเวลาแบกนะครับ ฝ่ายอิงแกนัดสอนเลียหัดดันแต่หากศพนั่นเป็นศพที่สอนแล้วมีนมาตายมีอ่นานกุนอ่านมีสิครุลล์มีขอดูทิศมีติดต่อกับญาติพี่น้องมีนำมุงนมานะครับมีการบริจาคมีทำความดีทั้งหมดมีถือบุมถือบวชนะครับเพราะว่าศพที่สอแล้วจะพูดว่าอย่างนี้ก็ดดมูนีรีพาฉันไปไว พาไปไหนเอาเนึ้อื้อพาไปไหนพาไปฝังที่กุโบนถ้าเป็นศพจีวรแล้วว่าอิงแก่หนะตรอยหรอซอลิอฮาถ้าเป็นศพไม่ดีศพก็จะพูดว่ายาวัยแล้วฮะไอนยิหาบูนะิหาวิบัตแก่ฉันจะพาฉันไปไหน นบีเล่าเองนะครับเราสนี่นะจะพูดดังมากนะครับแต่คนแบกไม่ได้ยินยินและมนุษย์ไม่ได้ยินแต่สัพเพสิ่งหือส่วนเดือนได้ยินหมดเลยแพะแกะวัวควายได้ยินหมดแต่คงตะขาบได้ยินหมดส่วนเดือนได้ยินหมดอ่ะอ่ะพี่ต้องจะอะไรไงนี่ฮะดิคออิมามบุคอรีนะเรียกว่าไมายิดพูดได้อ่าไมยิดพูดได้ตอนไหนตอนแบกไปฝัง นี่นบีเล่าเชื่อนบีป่าผมเชื่อพันอร์เซนครับทุกคนจะพูดแบบนี้หมดสองอย่างกอดดีมูนีถ้าเป็นศพดีถ้าศพไม่ดีอิลาไอนายาไวล่ะไอนายาซาบูนบีฮา ah พาไปไหนแต่พาไปไหนล่ะพาไปฝังก็เจอเจอกระดาษ น, นกูโบใช่หรือไม่ใช่มีอีกสามขั้นตอนใช่ไหมหยิบมาลายกามามาล บ, บุกามนนบีอยู่กับมันอิมาง ก, ก็ตอบได้หรือเปล่า ถ้าเป็นคนชั่วนะมันตอบไม่ได้อะอตอบไม่ได้ก็ น, นึกภาพไปแล้วกันนะอบีุลเศรเองนะครับมีคอนนะคอนเล็กกนะัไม่รู้ว่าใหญ่กี่ตันก็ไม่รู้ครับซัดลงไปนะพี่น้องแล้วก็ตายก็ไม่ตายให้ถูกทรมานอย่างเนี้ทุวันทุกวันทูวันทุวั น, ว น, ว น, วนจนกว่าจะฟืน้นคืนเชี่ยบในโลกอาคีรอนนะฉันต้องระวังกลัวให้ดีฉันอยู่บนดุงดานี้ไม่ใช่เพื่ อ, เ พ, อเพื่อหาความสะดวกอย่างเดียวไม่ใช่ เพื่อมาทำงานศาสนาของอลัลลอฮฺสุภาห์นูวะตาลนานบี ก, ก็สอนต่อไปอีกนะครับบอกว่าคนที่อลัลลอฮฺจะให้ตายดีนะสังเกตยอย่างนี้อลัลลอฮฺจะเปิดใจเขาให้เขาได้ทํางานศิสอนแลกก่อนตายเปิดใจเขาได้มาฟังศาสนาเปิดใจเขาได้หันมาเรียนศาสนาเปิดใจเขาให้ได้มาทันลุกขึ้นนะมาตะหัดยุท เปิดใจขาให้เขาได้อ่านกังอ่านศึกษาหาความรู้นี่อร่อยอร่อยนะฮัตดียคอยมามฮากิมหัตดีที่สอง1 9สี่้ารอยสบอ่านแล้วกลัวไปหมดเลยไ่น้องท่านพูดถึงความตายบ่อยๆได้มั้ยได้ในวันที่แต่งงานก็พูดถึงความตายด้วยนะบีอย่าคิดว่าจะเบ่าวไม่ตายนะอย่าคิดว่าเจ้าสาวไม่ตายนะ บางคนนันติกาเสร็จแล้วจะส่งตัวยังตายใช่ไหมอ่ะก็ข่าวมันออกม า, าบ่อยๆเนี่ยอยงนี้เป็นต้นนั่นเรื่องของความตายเยอะๆอัลลอฮฺอัลลอฮฺบตอต่อมาอายะห์เท่าไหร่ครับอายะห์ที่31สซุมมะอินนะกุมยาวมัลกติอามาติอินดารับบิคุมยมั มุนอัลลอฮสุมมอินนกุมยามานกิยามะอนดรบบิุมตัมุนนี่พูดเรื่องเกิดอพะั์ที่ผ่านมานะพูดเรื่องตายอพะคัี์ที่3 1พูดเรื่องทุกคนเกิดหมด ไม่ใช่ตายแล้วตายเลยระนอบกี่ด้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตายแล้วจะตายเท่าไหร่ก็ตามฟื้นหมดอาดูดูนะซุมมาอินนกลุ่มและโดยแน่นอนยามาตียมะในวันฟื้นคืนที่ <c oughs> อินดรบบิคุมต่อหน้าพระผู้อภิบาลของสูงเจ้านี่ไม่ได้เล่าว่าตอนตอนฟืจะจากกูโบวเป็นยังไงไม่ได้เล่าน่ะว่าเล่าหายนะอื่นมาแล้วนี่เล่าว่าพวกคุณจะต้องไปยืนอยู่อินดารอบบิคุมต่อหน้าพระผู้อภิบาลต่อหน้าน่ะเห็นยังครับอินดารอบบิคุมไปยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้อภิบาลของท่านยืนดำหนครับ ตักตาสีมูลสูญเจ้านี่เถียงกันเองเอ้าเถียงกันเองทะเลาะกันเองนี่ร้อนเล่าเรื่องของเราไม่ใช่ฟื้นแล้วฟื้อแบบสบายๆที่ไหนไม่ใช่ครับตักตาซีมูลคอซมาแปล ว, ว่าทะเลาะกันเถียงกันโต้เถียงกัน พวกท่านไปยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้อาภิบาลของท่านเนี่ยสภาพไหนตักตาซีโมในสภาพที่โต้เถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของสูรเจ้าแล้วก็จะถูกตัดสินที่หลังเถียงกันก่อนเอาใครเถียงกับใครที่เราเรียนกันมาเมื่อไหลาอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะลูกน้องจะด่าเจ้านายใช่หรือไม่ใช่ เอ็งนี่นะพาฉันนะตกนรกพาฉันหลงหัวหน้าว่ากูไม่เกี่ยวอ้าวขอเถียงกันใช่ไหมตกลงว่าลูกน้องจะด่าเจ้านายอ้าวอาพักกันเมือก็ได้หัวหน้าพักง่ะพาสมาชิกพักเงเท่าไหรล่ะโอ้โหเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็แล้วก็วกนบีเลยสั่งนะ เป็นหัวหน้าคนเนี่ยต้องสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เข้าใจไหมต่นี้มันจะสอนให้รู้จักอัลลอฮ์เลยให้ล้มวัตถุวัตถุวัตถุพิดหมดเลยนั่นนะแต่ดุลยานี่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะเรื่องที่สองสามีภรรยาในหะดิษของอิหม่ามตอบรอนีสามีภรรยาจะทะเลาะกันต่อหน้าอัลลอฮ์ภรรยาที่สามีที่ทตกภรรยามีบาว ที่เตะมีเปล่าที่มาให้นัฟก์มีเปล่าเอ็งจะตอบว่าลอยยังไงวันเกียมตักตาซิมูลโทโตเถียงกันยังไร น, นะเรื่องสา ม, มีภรรยาครับเรื่องที่สามเรื่องจีรอนเพื่อนบ้านกันจะทะเลาะกันตอนอยู่บนดุนยานี่เกินนิดเกินหน่อยไม่ได้ขึ้นเสียมดากันนะ มีเลามีครับนบีเล่าให้ฟังนี่แค่ยกตัวอย่างแค่สามเรื่องนะหนหัวหน้ากับเจ้านายลูกน้องกับเจ้านายจะทะเลาะกันข้อที่สองสามีภรยาจะทะเลาะกันเมียกบล น, นี่ไม่เคยจานะ่าเนาะพวก้องผัว ก, กบลอะไรๆจะทะเลาะกันดีมั้ย มันหลักการในการดำเนินชีวิตมีหรือยังมีอยู่แล้วนะ่ยก็มองพระญาณบีเขาอยู่กันยังไงนบีอยู่ยังไงเป็นสาเป็นสามีนะถ้าเดินตามท่นานนบีปัญหามีไหมปัญหาไม่มีแต่พอไม่เดินตามนาบีปั๊บเนี่ยโอ้โหเดินตามดาราเป็นไงครับ <c oughs> ท้องก่อยไหมแล้วแต่งที่หลังรถจทมจะถามในวันเกียม์ไหมั่งจักรยลอกกันเองอะ่ะ ตักตาซิมูนสามีภรยาทะเลาะกันเพราะว่าเองนอนร่วมกันเพื่อมาจะแต่งงานน่ะต่ทะเลาะกันเองไงชวนฉันมาทำไมอ่ะพาเข้าโรงแรมอันนี้นีในร า, ายละเอียดนะฉะนั้นอิสานบบียกตัวอย่างแค่สามเสียหลการหนึ่งลูกน้องจะด่าเจ้านายสองสามีภรยาจะทะเลาะกันสามเพื่อนบ้านใกล้กันทะเลาะกันด่ากันฉะนั้น ยอแพ้ใครจะดาเชิญล้วทําตัวให้ดีที่สุดน บ, บีลยสั่งไงนะเวลาไปอยู่ตามหมู่บ้านไหนก็ตามเนี่ยส่งอาหารทรงอาหารตามบ้านบอกภรรยาทําใส่แกงเยอะๆใส่น้ําแกงเยอะๆแล้วก็ทรงสรงส่งส่งตามบ้านนี้น บ, บีสั่งนะประสบาณ์เรื่องนี้ติดผมมีเยอะ เมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ที่อรุณอมรินทร์เราเราอาจารวันละห้าครั้งตนครูที่อนเองนั่นอยู่มาเท่าผมาอาจารย์หลังบ้านนั้นมีบ้านไม่ใช่มุสลิมมันรำคาญผมบอกเสียงหมาหอยอะไรกัทุกวันเลยพอได้ยินเข้าหูเราก็นึกสุนท์านาบียังไงให้อะไร น, นะ ให้ให้ของขวัญแล้วก็ความรักจะตามมาแล้วก็ส่งนั่นอะไระสตอดูสตอร์ใช่ไมัมาจากใต้ยเยอะใช้ไหมส่งให้ที่สิบฝากห้าฝากสีฝากให้บ่อยนะพอให้ประจำบ่อยๆก็เสียงดาวไม่มาแล้วถามว่าอ้าววันนี้ไม่ได้อาลานลทองจับอาลาัได้สับอาลานไปแล้ว เพราะการบริจาคเพราะการทำบุญเพราะการให้ของกวนที่าจะอยู่ตรงไหนก็จำสุนัขนบีเอาไว้ให้ดีของได้นบีทำเป็นแบบว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพิสูจน์แล้วเจอเลยโอใช่เลยใช่ฉะนั้นใครดา่ดาไปส่งอาหารให้มันกินบ่อยๆนี <c> ่ <oughs> ถูกอาหารในกี่มือ้อเราจะ เ, เงียบหมดเออจะด่าก็ดา่าไปทำไมได้ยินนี่ไง สุมมาอินนักุมยามงันย ي ม م ตหอินดารอบบิคุมตัชทัศน์นี่มันเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องจริงและโดยแน่นอนในวันฟื้นคืนชีพสูเจ้าจะเถียงกันต่อนหน้าถ้าผู้อภิบาลของสูรเจ้าเห็นไหมหน่งลูกน้องจะด่าเจ้านายเพราะเจ้านายไม่คือสอนอิสลาม ผลคภาพการเมืองด้วยนะแต่นิดนิดนะเพื่อเข้าใจง่ายๆสองสามีภรรยาอยู่กันทะเลาะ ก, กันไม่ทำหน้าที่สามีไม่ทำหน้าที่ภรรยาสามเพื่อนบ้านแล้วมัตามมาอีกเยอะอ่ะเอาเอาแค่นี้ก่อนพอสามรายการนี่มันใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดอัลลอฮอับดุลบางคนอธิบายอย่างนี้คนกาเฟ่ทะเลาะ ก, กับคนมุสลิม ถ้าว่าคนกาแฟกนี่ชอบชอบชอ บ, ชอบร้ายชอบโซลเลมโซลเอมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ อ, าอาับดุลเปสไตน์เนี่ยนายกตะยานนี่นะอิสราเอลแบปลุกพองเประสไตแล้วทอนเล็บโซลเอมพวกเปรตสไตน์เท่าไหร่อ่ะจะถูกเล่นงานในวันกีมากอีกเที่ยวหนึ่งน่ะไม่ใช่แค่ดุนยานี้จบน่ะนี่เอาเล่าแค่นี้ก่อนไปน้องตัวรู้ว่าจะต้องขัดแย้งกันทะเลาะกันต่อหน้าอัลลอฮ์ แล้วอัลลอฮ์ก็จะตัดสินที่หลังนะพี่มิตรนนบีั่งอย่างนี้เครียร์กันให้จบก่อนตายไปขอมาอัฟกันเธอเคลียร์กันให้จบเพราะวันนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เอาเงินไปให้เขานะเอาความดีที่เรามีอยู่เนี่ยไปให้เขาจนกระทั่งความดีหมดแล้วไม่เหลืออะไร เอาความชั่วของเขาใส่ตัวเรามาเองเพระเราจะเป็นคนเลวอะท่านอย่าให้มีปัญหาเคลียร์กันให้จบเป็นนี่เป็นสินเคลียร์กันให้จบอา้าวเราเนี่เป็นนี่อยู่ล้านบาทหรือว่าแสนบาทให้กับคนหนึงไปกูไม่ยอมกูถ้าเอาให้ได้อ่ะอาครอก็ไม่ยอมเอ็งไปนั่งรมอมัะนะอะเมื่อไหรมันจะมาว่ะเฮ้ยไอเงินแสนบาทเมื่นบาทเนี่ยถ้าเคลียร์จากดุงยาก่อนจบไหม จบนี่ระนั่งรอน่ะมันเจอคดีเต็มเลยคดีนุ่นคดีนุ่นหมูก็จะมาถึงเราตาย อ, อยู่เก น, นั่งรอตะวันต้งคืนฉะนั้นนบีสั่งมาฟัลอยู่ฮัลลิลให้เคลียร์กันให้มันจบ ก, ก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮสซุบฮฺะฮานับ ห, าหวาลาคนดานทุรังนี่บาบนโลกนี้เยอะไหมเยอะฉันจะเอานวัน อ, นอาครก็เชิญอย่ น, นว่าอะไรอ่ะแต่นบีสั่ง มังคานะอินดห์หมุสลิมะลีอัคเฮมินอารบินอวมาลินฟัลญะตาฮัลลัลห์ใครที่ร่วมเกินกันในด้านชื่อเสียงในด้านทรัพย์สินจงเคลียร์กันก่อนตายนะขอมาอาฟกันก่อนยกโทษกันก่อนอะไรกันก่อนแล้วก็ค่อยตายถ้าเองไปเก็บดองเอาไวา้ผู้จะอัมเบลอนวันเกียวเองเองก็นั่งรอน่ะเองมาเรียกอะไรด่ามาเรียกว้เยอะนะไม่ได้มาขอมาอาฟ มื ma, ่อรมลิกจะมามื่อไรมลิกจะมาไว้เอาไม่เชื่อก็ได้มาดอิสลามมาด้บังคับใครให้ให้เชื่อแบบนบีนะแต่อยู่แบบนี้จะเล่าให้ฟังเจอแน่ครับในขุราญาติที่สานส่อนะครับต่อมาญาติที่สาสองฟะมันอัลุมมิมักซบัลกะซบะลกะซบะ كذبا فمن أظلم مما كذبا على الله و ك ذ ب بالصدق إزجاء أي سفيجانما مسؤول الكافرين ฟังَั้นَัลลอฮฺมุหมงَกَรَดบ่กั ا ل ัลّอฮฺว่า ذ َบ่เป็นศิลป์อิจเจาะอَลลอ ه ฺอิจเจาะอาไลส์ในจันนَมามาสุบลิลคาฟิลิอัลลอฮฺอัลลอฮ ر เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย ผ่านนาบีล่ามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าอีกคับให้นบีนะโอยให้นบีฟาแมนอัสสลามอลัลามแปลว่าอาธามยิ่งรอลิมยิ่งทําความเดือดร้อนยิ่งใครเล่าที่จะทําความเดือดร้อนหรือรอลิมยิ่งยิ่งไปกว่าใครนะครับ มินมันผู้ที่กาซาบะแต่ว่าปฏิเสธอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์อธิบายยังไงความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์มาอยู่ในกัมภีร์อกุรอานผ่านจากริมฟปล่าท่านนาบีนั่นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพวกนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยถามให้นบีมาบอกว่า คนที่อารรมที่สุดน้นไม่ใช่ใครก็คือความรู้ที่อัลลอผ่านยิบรีนมาให้นบีมาสอนเช่นกุรานเนี่ยหกพันหร้อยกว่าญาเนี่ยไม่มีใครนามาประชาสกุนนคนนี้แหละเป็นคนที่อารรมสุดๆออย่างครับแค่เรื่องทะเลาะกันต่อนหน้าอัลลอเนี่ยบางคนเล้กูไม่ยอมหรอก ไม่ยอมก็เชิญ่ยเองปฏิเสธความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ผ่านนาบีใช่ไหมบอกว่าคุณจะทะลอะ ก, กันตอนหน้าอัลลอฮ์เนี่ยฉันไม่เชื่ออ้าไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาดุญยาอาไปเลยบ้านสองหลังเมียส3สามคนไปเลยรถอีกสิบคันที่ดินอีกร้อยไร่อยู่แถวจังหวัดนุน้นเชิญไปตายสบายเลยครับแต่พอตายมาันจะงับอินฮาลิลามมาถึงกะหอยอา ย, ยา ใช่เลยกลัวว่าจะมีผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมไปกว่าเร็วไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธคาว่าปฏิเสธอันหนึ่งไม่ยอมรับในอันลลอฮ์องเดียวได้ไหมได้แต่นับถือพระเจ้านับถือตตตะเกียดด้วยอเอาพวกเราแล้วก็นประกาศชิ ด, ดีนะ เป็นมุสลิมพวกซาลาบานคุมที่ิยาบนับถืออัลลอฮ์ด้วยนะมาดด้วยและไปหาโตตะเกียบด้วยนั่นชิริกนะไปหาหมอดูด้วยชิริกทั้งหมดถึงได้มีให้สอนกันสอนการยาไปหาคนอื่นนอะกจากอัลลอฮ์นะให้ขอเฉพาะจากอัลลอฮ์องเดียวนะอย่าไปหาโตตะเกียบนะัะอย่าไปหาโตนู่นโต๊นี่ น, นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ไม่มีมีแต่อัลลอฮ์องเดียวใครจะเจ็บใครได้ป่วยไปหาอยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมด ส่วนรักษาพอรักษาไปนะครับอต่อมาครับกัจจาบาบิสิตติมันมีฌานฌานฌานสัตานะกัจจาบาเนี่ยแปลว่าผู้ที่ปฏิเสธความจริงมาแล้วแต่ไม่ยอมรับเข้าใจนะกัจจาบาหมายถึงปฏิเสธ อัศริตติแปลว่าอะไรนะความจริงความจริงหมายถึงอะไรครับคำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากท่านนาบีเป็นความจริงหมดเลยครับวะฮีแต่ละอาวะตแต่ละอายาเป็นความจริงหมดเลยครับอิสยาอาหูเมื่อได้มายังเขาแล้ววันนี้กูอานมาอยู่ที่บ้านยังอยู่แล้วเหไหม แล้วการสอนทับเสียอย่างสอนแล้วเห็นไหมผ่านหูแล้วเข้าใจแล้วอยู่หนังสือหนังสือในบ้านท่านก็มีแต่ไม่ได้ใส่ใจเอาดุญยาใหญ่กว่าคำสอนของอัลลอ์เห็นไหมเอาดุญยาใหญ่อลัลลอ์ก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ายเงินเดือนคุณนะเอาเอาเงินไป แบบคล้ายกอรูนเอาเงินไปฮามานเอาตำแหน่งไปฟาโรเอาตำแหน่งกษัตริย์ไปแล้วเป็นไงครับปฏิเสธน บ, บีอีซา บ, บีมูซาใช่ไหมไม่เชื่อน บ, บีมูซาแล้วเป็นไงครับอลัลลอฮ์ลงโทษให้เห็นก่อนตาจมน้มตายเห็นยังนี่ไงการศึกาบบ ปฏิเสธความจริงที่ผ่านนบีมูซ่าอิสระอาหุนหลังจากไี้ความจริงได้ผ่านมาถึงคุณแลว้วมาถึงประสาทคุณแลว้วมาถึงวางคุณแลว้วคุณไม่รับเอาลอดตองแต่งนบีมูซามาลำบากขนาดไหนอ่ะต้ององพยพไปถือประเทศอะไรต่างประเทศอีกกี่ปียีสปีหรือสิปีสิ ป, ส ป, สปีเห็นมหมเรากำลัมาสอนเองอ่ะ ลงทุนให้นบีมูซาทำงานาศาสนานั่นเหนื่อยขนาดไหนครับกูไม่เอาที่สมัยกูก็เชิญเนี่ยฉะนั้นไม่มีใครเลที่จะโหดโหดเท่ากับมนุษย์ไม่มีแล้วมนุษย์น่ยโหดสุดสุดดแล้วถ้าดีก็ดีสุดสแบบท่านอับูบัคท่านอุสมานท่านอาลีไซนาอุมัตดั บ, บนบีโอโัลลอฮ์เป็นคนดีนิ่มนวลดีมากครับทำไปแล้ว ทีนี่คนที่ปฏิเสธความจริงเมื่อความจริงมาแล้วปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธนบีมุฮัมมัดเมื่อนบีมาแล้วพาของจริงมาแล้วดูมาดูดิอลัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรอะไรซะฟิจฮันนามะมัสวัลลิลกฟิจฮันนามแปลว่าอะไรนรกมัสวาแปลว่าที่พำนะัก ลิลกาฟิรินสหรับผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีมุ h ั m m a d ปฏิเสธกุรานปฏิเสธสุนานะนบีที่พำนักของเขาก็คือที่นรกอไลาซาถามที่พำนักของเขาไม่ใช่นรกดอกหรืออไลซาฟิจานนามาสวลลิลกาฟิรและที่พำนัก ของพวกปฏิเสธอิสลามไม่ใช่อยู่ในนรกหรืออัลลออัลลอฮฺอัลบาดของจริงพวกเราไม่น่าจะเครียดนะเมืม่อวานนไม่น่าจะเครียดต้องอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเวลาคุณทําผิดคึ้นมาเตาบ้าตัวคุเครียดทําไมล่ะถ้าอะไรผิดทำอะไรตาบ้าข้อที่สอง เวลาทำความชั่วให้กล่าวอัสตัฟฟรุลลอฮฺตาบะตัวละกล่าวอัสตัฟฟรุลลอฮเขาเชื่อมเงินยืมทองเข้ามาก็ถึงเวลาประชายนี่เขาไปมีภรรยาก็อยากตบหน้ามันหลักการมันมีอยู่แล้วนั่งมาหนังเครียดทำไม เ, เอาต่อมาครับย่าที่สามสิบสาม والذي جاء بالصدق وصدق به أولئكهم المتقين ف ي أولئكهم ا ل م ت ق و ن مشتقين م ت ق و ن والذي جاء بالصدق และ صدق به أولئك هم المتقون อะล hamdulillah อายะสุดท้ายนะครับมาดูสั์ครับจะบิดเซดเกผู้ที่นำความจริงมาความจริงที่เรียนใจงคูราน คุณอานคือความจริงคนที่นํามาใครนบีมุฮัมมัดใช่ไหมฉะนั้นเมื่อนบีมุฮัมมัดนำเอาความจริงมาเราว่าทางนาบีทางทางคุณอ่านเป็นความจริงหมดเลยแล้วก็นบีตายไหมตายครับใช่ไหมตายที่บ้านใครครับยินอายใช่แล้วก็ฝังที่ไหนครับฝังที่ บาญญัต ง, งชาติเลยที่ท่านน บ, บีฝังวันนี้นะนั่นดโฉนดงไงชาติน่ะพวกเชียรนี่เครื่องนักหนาเลยต้องการจะบิดเบือนตรองบัศศาสตร์ตรงนี้จะบิดไม่ได้อแต่แค่นี้พอต่อมาครับวัดซดดะกอบียืนยันอ่าซอดดะก็แปลแปลหมายแปว่ายืนยันนะคนที่ยืนยันตามน บ, บีตามกุรอานคือสฮะบะ นี่อัลลอฮ์รับรองนะรับรองคนที่ปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็ยืนยันพวกมุสลิมทั้งหลายหนึ่งยิบรีนนากุนนานำนำนำนำกุรอานมานะมาให้ใครมาให้นบีพาอะไรมาพาคนมาสามรการเป็นเรื่องจริงนะยิบรีนเป็นเรืจริงมีจริงกุรอานก็เป็นเรื่องจริงนบีมุฮัมมัดก็รับกุรอานจริงใช่หรือไม่ใช่ วสดดาสุดแลก็นคนที่มายืนยันใครบ้างบรรดาสรบาับดุลนาท่านอบุบารอุมัดอุสมานาอ ali สราาบับดุลนยยืนยนันหมดเลยว่านี่เป็นเรื่องจริงมาจากอัลลอฮ์และเราวันนี้มาเห็นหน้า น, านาบีด้วยมาเห็นหน้าสราบายืนยันบางยืนย่าว่า น, นี่มาจากอัลลอฮ์จากระซุนอัลลอฮ์ชมว่าไงครับอุลอัยกะฮุมุลมุตตะกูลเหล่านี้พวกเขา ทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งโูราณนาบีมุฮัมมัดยิบรีลคนที่ยืนยันนะครับสัฮาบานบีท่านอบุบคารอุมารพวกเราวันนี้เนี่ยทั้งหมดนี่นะหุมุลมุตตะูนเป็นผู้สำรวมตนจากความชั่วดีไหมเห็นยังครับ หันมาเรียนศาสนาเธอเปน้องเรียนศาสนาจากกุณานี่ค่อยๆเรียนไปวาละสามสียอายะศึกษาไปค่อยๆเรียนค่อยๆอ่านไปอารอลชมว่าไงครับอุลก็ขุมุลมุตตปูนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ตักวา่าตักว่าเนี่ยอธิบายยังไงตักว่าหมายถึงออกห่างจากความชั่ว ส่วนอีมานเนี่ยอยากจะทําความดีมีมีทั้งสองอย่างเลยดีไหมมีอีมานอยากอ่านกุณอานอยากนมาศอยากบริจาคอยากซึกรุลล่นล้ออยากขออุทิศอยากติดต่อกับญาติพี่น้องอยากให้อภัยส่วนตักวานเนี่ยไม่อยากทําความช่วดา่าเออไม่เอาไม่เอาเคยด่ามาแล้วเคยตวดัดมาตะหวัดแล้วเคยเตะตอนนี้ไม่เตะแล้ว ไม่เอาแล้วดึงชั่วๆคนผ่านมาเยอะแล้วไม่เอาแล้วเห็นไหมดังนั้นคนที่มีตักวะคือคนที่ไม่ทำความชั่วคนที่มีอีมา ن อยากจะทำความดีอัลลอฮฺอัลกุบะดอัลลอฮฺอักบะดตัวลงกุรอ่านอีเคลียยังเคลียแล้วนะอายะสุดท้ายวัลละทีจาอาไปสิดกิ ส่วนผู้ใดที่นำความจริงมาคืออัลกุรอานด้วยนบีด้วยยิบรีนด้วยวาสั ด, ดก็บิฮีแล้วก็ยืนยันก็มีใครอ่ะสุฮาบานาบียิบสุฮาบานาบีแล้วกับคนมุมิมทั้งหลายท่านศาสนาอบุบคารอุมัตอุสมานใช่ไหมคนในยุคนบีทั้งหมดเนี่ยพวกเราวันนี้ไม่เห็นหน้านาบีสังี้ดึงแต่ยืนยัน กูลอีกะฮมุลมุตกูนเหล่านี้พวกเขาทั้งพวกเราและกลุ่มสราบาที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นผู้สํารวมตนจากความชั่วเป็นคนดีเป็นคนมิตตากวาสบายใจไหมเรียนศาสนาแต่เรียนกุรอานอาย่านี่ละอ่านทวนไปทวนมาหลายหลเที่ยวนะครับหมดเวลากับสุฮานะก็รอมาบอเบฮัมดลลฮิิลลาิอันตะสตัฟิลกวะบอิลอัลลอฮอลฮมุฮัมมัด وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.